ห้องสมุดหลังไม้โดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไม้เปิดทาการอีกครั้งแล้วนะคะดิฉันรัสมีมณีนินวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะมาพาคุณฟังไปทัศนาจรจิตตะนครกับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังบรสมเด็จพระสังคราศสกลมหาสังฆปริณายก จิตตะนะครเป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชส่งพระนิพนธ์ขึ้นนะคะเพื่อที่จะนําเรื่องยากๆแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญให้เข้าไปถึงจิตถึงใจของคนไทยในการที่จะเข้าใจถึงความสําคัญของจิตใจที่มีต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาและก็น่าเข้าใจมากที่สุดถ้าเข้าใจได้มากและก็ทำอย่างถูกต้องเหมาะสมเราก็คงจะมีความทุกข์น้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าทำอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแน่นอนคะ่ะความทุกข์ก็คงจะมาเยือนจิตตะนะครของเราได้มากและก็เท่บ่อยดิฉันอ่านเรื่องนี้ด้วยความสุขนะคะ ในขณะที่อ่านก็เหมือนกับได้สำรวจและก็ทบทวนจิตตะนาคอนของตัวเองไปพลางๆด้วยอย่างที่เคยบอกนะคะว่าไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเพราะว่านังสือค่อนข้างยาวนะคะ300กว่าหน้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะไปติดตามหามาอ่านเอง การอ่านเองก็จะได้อัธรตไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดกว่านี้ถามว่าหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ที่ไหนหนังสือเล่มนี้ล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดาค่ะราคา165บาบาทแต่นอกเหนือจากรา้านหนังสือโดยทั่วไปนะคะเท่าที่ดิฉันนึกออกที่วัดบวรนิเวศมีแน่นอนนะคะ ที่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าส่วนโมกกรุงเทพมีแน่นอนค่ะที่นี่สที่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดยังหาไม่ได้ก็ฟังจากห้องสมุดหลังไหม่ไปก่อนกันละกันค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะไปรู้จักกับชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครค่ะและหลังจากนั้นก็จะพาไปรู้จักกับเพื่อนเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะ ไปจิตตะนะครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะเ mm hmm. จ้าเมืองแห่งจิตตะนะครหรือนครสามีเรียกกันทั่วไปว่าจิตตามชื่อของเมืองแต่มีนามอีกสี่นามที่ขนานเรียกกันคือเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณเป็นการเรียกตามอาการที่แสดงออกของเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองมีปกติแสดงอาการกิริยาออกมาให้ใครๆเห็นได้หลายอย่างที่เด่นๆก็4อย่างคือแสดงความเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวงจะเกิดสุขทุกข์ขึ้นที่ไหน เจ้าเมืองก็ต้องรับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเสมอจึงได้นามว่าเวทนาเป็นภาษาของจิตตะนะครแปลกันว่ารับรู้สุขทุกข์และเป็นผู้ที่มีความจำดีโดยเฉพาะสิ่งอะไรที่มาทำให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นในเมืองจะจำได้เสมอถึงบางอย่างจะลืมเร็วไปบ้างก็ยังได้นามว่าสัญญาเพราะความที่ช่างจาอะไรต่ออะไรได้ เป็นภาษาของจิตตะนครเหมือนกันแปลว่ารู้จํานอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่างๆไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องดีๆเสมอไปบางคราวก็คิดเรื่องที่ไม่ดีเป็นลมๆไปเหมือนคนทั้งหลายแต่เจ้าเมืองก็จำเป็นต้องคิดเพราะกิจการทั้งหลายที่ดำเนินไปอยู่ในเมือง เกิดขึ้นจากความคิดของเจ้าเมืองถ้าเจ้าเมืองหยุดคิดเสียผู้เดียวกิจการทั้งปวงก็จะชะงักหยุดหมดและโดยปกติเจ้าเมืองก็หยุดคิดไม่ได้ไม่คิดเรื่องนี้ก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรียกไดว้ว่าขยันคิดมากที่สุดจนถึงเจ้าเมืองทั้งปวงหลับกันหมดแล้วเจ้าเมืองยังไม่หลับยังตรวจบันทึกเรื่องต่างๆอยู่กับมโนทําให้มโนต้องปวดสิษะไปบ่อยๆ จึงได้นามว่าสังขารเป็นภาษาของจิตตนครที่แปลกันว่าช่างปรุงคิดทั้งยังเป็นผู้ชอบออกไปรับข่าวสารที่ส่งเข้ามาจากระบบชั้นนอกชั้นในตลอดเวลามีข่าวสารอะไรส่งเข้ามาก็จะต้องรับในทันทีเรียกว่ารับข่าวสดกันทีเดียวจะต้องออกไปดูให้รู้เห็นด้วยตาตนเอง จะต้องออกไปดมให้รู้กลิ่นด้วยจมูกตนเองจะต้องออกไปลิ้มให้รู้รสด้วยลิ้งตนเองจะต้องออกไปถูกต้องให้รู้สิ่งที่มากระทบถูกต้องด้วยกายตนเองถ้าไม่ออกไปเช่นนั้นก็ตรวจตราเรื่องราวต่างๆจากรายงานของมโนให้รู้ด้วยใจตนเองอีกเหมือนกันจึงได้นามว่าวิญญาณซึ่งเป็นภาษาของจิตตนคอนอีกเหมือนกันที่แปลกันว่าช่างรู้ต่างๆ นามทั้งสีน่นี้ชาวจิตตานครใช้เรียกเจ้าเมืองเพราะเหตุที่เจ้าเมืองมีลักษณะต่างๆดั ง, งกล่าวปรรดานามของเจ้าเมืองทั้งสี่นามว่าวิญญาณคนมักชอบเรียกกันในบางโอกาสจนถึงคล้ายกับเป็นนามที่สำคัญที่สุดอันที่จริงทั้งสี่เป็นนามรองทั้งนั้น นามที่สำคัญที่สุดของเมืองแห่งจิตตานะครก็คือจิตส่วนนามอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงอาการแสดงจิตเป็นที่รับอารมณ์หรือกิเลสเมื่อรับไว้มากก็ยอมเศร้าหมองมากมีความสุขน้อยเมื่อรับไว้น้อยก็ย่อมมีความผ่องใสมีความสุขมาก อาการแสดงออกของจิตทั้งสี่อย่างคือรับรู้สุขทุกข์รู้จำช่างปรุงคิดและช่างรู้ต่างๆนั้นแม้เจมืองทุกจิตตะนาคอนจะมีเสมอกันคือแม้จะสามารถรับรู้สุขทุกข์รู้จำช่างปรุงคิดและช่างรู้ต่างๆเสมอกันแต่การรับอารมณ์หรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองไว้ไม่จำเป็นต้องเสมอกันเหมือนคนหลายคนอยู่ในบ้านเดียวกันแดดออกร้อนจ้า ทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คนไหนเดินออกไปรับแสงแดดคนนั้นก็ร้อนคนไหนเพียงแต่เห็นเพียงแต่มองดูไม่เดินออกไปรับคนนั้นก็ไม่ร้อนอาการของจิตทั้งสี่อย่างก็เช่นกันถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิตเหมือนคนเห็นแดดเดินออกไปรับแสงแดดจิตดวงนั้นก็ร้อนถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิต <ME AN> เหมือนคนเห็นแดดไม่เดินออกไปรับแสงแดดจิตดวงนั้นก็เย็นความร้อนของผู้เห็นแดดไม่ได้เกิดจากที่เห็นแต่เกิดจากที่เดินออกไปรับฉันใดความร้อนของจิตก็มิได้เกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เกิดจากการที่จิตรับไว้ฉันนั้นถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจิตเพียงแต่เห็น เพียงแต่ดูให้รู้ว่ามีอาการอย่างไรเหมือนแดดออกก็เพียงแต่เห็นเพียงแต่ดูให้รู้ว่าแดดแรงแดดร้อนจิตก็จะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องจากอาการดังกล่าวทั้งสี่เช่นเดียวกับคนจะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องมาจากแสงแดดลักษณะเจ้าเมืองจิตตะนครและทวารเมืองเจ้าเมืองแห่งจิตตะนคร อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากที่สุดขยันรับรู้สุขทุกข์ขยันจําขยันคิดขยันออกไปรู้สิ่งต่างๆวันหนึ่งๆจะหาเวลาหยุดพักจริงๆได้ยากจึงเป็นบุคคลเจ้าอารมณ์อีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเจ้าเมืองจิตตาณครกับตำแหน่งเจ้าอารมณ์มกคู่กันอยู่เสมอเพราะเมื่อขยันรับเรื่องราวต่างๆมากเรื่องก็ต้องมากอารมณ์เป็นธรรมดาไม่เป็นของแปลก แต่ที่แปลกก็คือมีความผันแปรผิดแผกไปจากปกติบางอย่างในจิตตะนะครจิตตนะครเป็นเมืองเปิดผ่านเข้าออกได้อย่างเสรีแต่อันที่จริงจิตตนะครมีปราการล้อมรอบมีทวารเมืองที่วางเป็นจังหวะภายนอกหทวารทั้งหทวา น, นี้ใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5้าดังได้กล่าวมาแล้วด้วย และยังมีทวารชั้นในซึ่งใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นในอีกด้วยแต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการไม่มีทวารเพราะไม่ได้ปิดปล่อยให้ใครๆเข้าออกได้ตลอดเวลาเว้นแต่เวลาที่หลับของจิตตานครทวารเหล่านี้จะปิดส่วนเวลาตื่นของจิตตานครทวารเหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอทวารชั้นนอกทั้งห้า มีชื่อต่างๆกันดังนี้จักขุทวานประตูตาหนึ่งโสตทวานประตูหูหนึ่งคานาทวานประตูจมูกหนึ่งชิวหาทวานประตูลิ้นหนึ่งกายทวานประตูกายหนึ่งส่วนชั้นในเรียกว่ามโนทวานประตูใจรวมทั้งหมด6ทวานซึ่งเป็นทวานสําคัญ เพราะเหตุที่เป็นเมืองเปิดดังนี้ผู้ที่เข้าไปในเมืองจึงมีหลายประเภทเป็นคนดีก็มีเป็นคนร้ายก็มีเข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่ามาทัศนาจรแล้วกลับออกไปก็มีเข้าไปอยู่นานๆจนถึงมาตั้งหลักปักฐานอยู่ประจำก็มีความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในจิตตนครจิตตนครที่เคยสงบเรียบร้อยก็เริ่มไม่สงบเรียบร้อย แต่อายที่เจมืองเป็นบุคคลพิเศษพวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรงโดยง่ายเจมืองเป็นบุคคลที่มีอำนาจมีความฉลาดมีวั น, นะพ่องไสจนถึงใครๆพากันเรียกเจมืองด้วยภาษาของชาวจิตตะนครว่าปะพัสสอนตรงกับคำสามัญว่าผุดพองหรือผ่องสว่าง เจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมากเมื่อเรื่องดำเนินไปถึงตอนที่ควรจะกล่าวจึงจะกล่าวเพิ่มเติมแต่สําหรับเรื่องที่ควรจะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือคู่บารมีของเจ้าเมืองคู่บารมีของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความงดงามและความดีทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์เป็นคู่ที่ส่งเสริมเจ้าเมืองพร้อมทั้งจิตตาณครให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาเจ้าเมืองขณะที่อยู่กับคู่บารมี จะมีความผุดพองงดงามเหมือนอย่างมีรัศมีสว่างทั้งองค์ออกไปเป็นที่ปรากฏและจิตตานครก็มีความพาสุขด้วยกันทั้งหมดอันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุขทั้งของเจ้าตัวเองและทั้งแก่บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงเหมือนยามใด เจ้าเมืองแห่งจิตตานครมีความใกล้ชิดเป็นอันดึงอันเดียวกันกับคู่บารมีซึ่งมีความดีงามอย่างนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตตานครก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งยังแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นไปทั่วทั้งจิตตานครอีกด้วยดังนั้นความดีงามจึงเป็นความสำคัญที่ควรจะสร้างสรรให้เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งทุกจิตใจ นี้มารู้จักกับเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตะนครกันบ้างนะคะเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครนอกจากจะมีคู่บารมีที่มีความงดงามมีความดีอย่างน่าอัศจรรย์ดูแล้วน่าจะมีแต่ความสุขแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าเจ้าเมืองยังมีเพื่อนคู่หูคู่คิดอีกหลายคน และคนที่น่าจะแนะนำให้รู้จักก่อนคนอื่นก็คือสมุ ท, ทยัยสมุทัยแปลว่าอุทัยสุขพรั่งพร้อมได้ให้คำแนะนำเจ้าเมืองในสิ่งต่างๆเพื่อให้ปกครองจิตตานครให้มีความสุขสนุกสบายเป็นเพื่อนคู่หู ค, คู่คิดได้ทีเดียวเพราะว่าสมุทัย จักกระซิบเรื่องต่างๆอยู่ที่หูที่ใจเสมอสมุ ท, ทยัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใครดีคืออยากได้สิ่งต่า ง, างๆที่ดีๆที่สวยงามที่เป็นเครื่องบำเรอสุขใครจะได้ตำแหน่งที่สูงเด่นจะเพราะมีปมด้อยอยู่ในตัวมากหรือจะมีปมเด่นมากก็ยากที่จะบอกได้ ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของสมุทัยก็คือความอยากทำลายล้างใครหรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวางเพราะเมื่อมีความอยากได้ใครดีถ้ามีใครหรืออะไรมาขัดขวางก็จะต้องเกิดความมุ่งทำลายล้างสิ่งที่มาขัดขวางนั้นอีกอย่างหนึง่งอยากได้อะไรต้องอยากได้สิ่งที่ดีถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจก็อยากให้สิ่งนั้นถูกทาลายหมดสิ้นไป หรือได้ตําแหน่งอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องอยากออกไม่อยากดํารงอยู่สมูทัยจึงมีลักษณะนิสัยเป็นไปทั้งในทางสร้างและทางทำลายสมูทัยมักจะพูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผูด้ตดำริสร้างขึ้นทุกอย่างเมืองจิตตนครเองเขาก็คิดสร้างขึ้น และคิดจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ต่อๆไปอีกเขาเป็นผู้คิดให้มีการประกวดความงามขึ้นในจิตตะนาครเพราะสิ่งที่สวยงามนั้นทำให้เกิดความสุขไม่ใช่หรือเขาได้เสนอขึ้นดังนี้ชาวจิตตะนาครเห็นดีไปกับเขามากพากันประกวดประชันความงามกันทั่วไปไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ข้อที่แปลกกว่าชาวโลกทั่วไปอยู่ที่ว่า คนแก่ของจิตตานครชอบประกวดประชันความงามกันยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวหรือเด็กและประกวดประชันกันอยู่ตลอดเวลามิใชื่อว่าปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งบางคราวสมุทรไทยก็แนะนําให้สร้างความดีเหมือนกันเพื่อประโยชน์ทางการบ้านการเมืองสมุทรไทยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมืองเต็มตัวคือมีความกระตือรือร้นอยากได้ใครดี ในทางสร้างและมีความรุนแรงในทางทำลายพอๆกันหรือยิ่งกว่าอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรมความอยากได้ใครดีที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการทำลายดังกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงนิสัยอยากได้ใครดีของสมุทไทยจึงเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดี ยังมีนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยอยู่ประการหนึ่งคือความอยากดีความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยในขณะที่ความอยากได้ใครดีเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีความอยากดีย่อมเป็นเหตุให้ทำแต่ความดีไม่ทำความไม่ดีการทำลายล้างเป็นความไม่ดีดังนั้นการทำลายล้างจึงจะ จึงจะไม่เกิดแต่ความอยากดีจะเกิดก็แต่จากความอยากได้ใครดีเท่านั้นห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเมื่อถึงช่วงที่สองนะคะของจิตตะนครค่ะ ในช่วงนี้จะพาไปพบกับลักษณะของเพื่อนคู่หูของชาวเมืองจิตตนครขยายความความเป็นสมุ ท, ทยัยสมุทัยที่ชอบชักชวนให้ชาวจิตตนครเพลิดเพลินยินดีแล้วก็มักจะแนะนําส่งเสริมให้สร้างให้ทําสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีสมุทัยก็ค่อนข้างจะไร้กาดในบทนี้นะคะ เราจะได้รู้จักกับสมูทไทยอย่างละเอียดค่ะว่าสมูทไทยเนี่ยมีลักษณะนิสัยใจคอยอย่างไรและหลังจากนั้นในบทต่อๆไปนะคะก็จะมีเรื่องหัวไม้16คนคล้ายๆกับเป็นนักเลงหัวไม้นะหัวไม้16คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตะนาครอร ตอนนี้เราค่อยๆเดินทางลึกเข้าไปในจิตตะนะครแล้วก็ไปรู้จักกับบรรดาบุคลากร น, นะคะทงในส่วนสร้างสรรและในส่วนทำลายของจิตตะนะครค่ะเริ่มสนุกได้ยังคะเราจะค่อยๆไปไม่รีบร้อนนะคะเอาละคุณฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยก็แล้วกันนะคะไปรู้จักกับสมุทัยอย่างละเอียดค่ะ ดังได้กล่าวแล้วว่าสมุทัยมีนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรงมุ่งทำลายล้างแรงต่อสิ่งที่ขัดขวางความอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอไม่มีเต็มเช่นอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองตอนแรกก็อยากจะได้เพียงสิ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งครั้นแล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีก และให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสมมติว่าได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูกก็คงยังไม่อิ่มไม่พอจะต้องอยากได้ภูเขาทองสองลูกสมลูกดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ความอยากของสมุทยก็จะต้องพบกับสิ่งขัดขวางทั้งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายศีลธรรมหรือว่าเป็นบุคคลด้วยกัน เพราะสิ่งที่บุคคลอยากได้ด้วยความหิวกระหายเช่นนั้นบางทีก็มีกฎหมายหรือศีลธรรมขัดขวางอยู่เช่นไปอยากได้ในสิ่งที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรมบางสิ่งก็มีบุคคลด้วยกันขัดขวางเช่นต่างก็อยากได้ด้วยกันต่างชิงได้ชิงดีกันหรือแม้เป็นเจ้าของของสิ่งที่สมุทัยอยากได้เมื่อสมุทัยต้องพบกับสิ่งขัดขวางเช่นนี้ ก็เกิดความมุ่งทำลายล้างสิ่งที่ขัดขวางทั้งปวงโดยไม่เลือกว่าจะเป็นอะไรสมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งถ้ารู้สึกว่าเป็นเครื่องขัดขวางต่อความอยากฉะนั้นจึงปรากฏว่าสมุทัยมักจะชักนำให้ชาวจิตตานครประพฤติหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอยู่เนืองเนืองทั้งโดยปกปิด ทั้งโดยเปิดเผยแล้วก็ชักนำให้ทำโจรกรรมประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือบุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้าอันที่จริงถ้าจะตามใจสมุทยัยก็จะต้องเลิกกฎหมายศีลธรรมทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในโลกเสียทั้งหมดเพราะว่ากฎหมายศีลธรรมทั้งหมดที่ตั้งขึ้นไว้นั้นก็เพื่อจำกัดหรือกาจัดความปรารถนาเกินส่วนเกินพอดีสมุทยนั้นเมื่ออยากทาสิ่งใด ทำเสียตามที่ต้องการเขาคิดว่าจะช่วยให้หายอยากเรียกว่ากิเลสดับนี่คือสิ่งที่สมุททยแนะนำว่าถ้าอยากทำอะไรก็ให้ทำไปเลยทำแล้วจะได้หายอยากแต่จริงๆหาถูกไหมอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจะไม่หายไปไหนที่ว่าดับ ก็ไม่ได้ดับไปไหนเพียงแต่จมลงแอบซ่อนตัวอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดความคิดดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อสงบลงหรือที่เรียกว่าดับไปก็หาได้ดับไปไหนไม่คงแอบฝังตัวอยู่ในใจนั่นเองเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ฝังตัวลงไปเท่านั้นครั้งดังนั้นหากความคิดดีเกิดขึ้นมากก็มีความดีฝังตัวอยู่ในใจมาก เป็นพื้นฐานที่ดีของใจในทางตรงกันข้ามความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมากก็มีความไม่ดีฟังอยู่ในใจมากเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของใจเช่นกันฉะนั้นหากเชื่อตามคำแนะนำของสมุทยัยที่ว่าอยากได้อะไรก็ปล่อยตามใจให้อยากไม่เลือกควรไม่ควรเมื่อได้สมอยากแล้วก็เท่ากับทำให้ดับกิเลสได้แล้วทาเช่นนี้ เท่ากับส่งเสริมให้สมุไทยมีกำลังแรงขึ้นคอยชักนำให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งไม่เหมาะไม่ควรอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อสมุไทยมีกำลังแรงไปในทางก่อทุกข์เจ้าเมืองแห่งจิตตะนะครก็ย่อมจักได้รับทุกข์แรงพูดอีกอย่างก็คือผู้ใดปล่อยให้สมุไทยเหตุเกิดทุกข์ในตนมีกาลังแรงตนเองนั่นแหละที่จะมีทุกข์แรง อ่นบทนี้แล้วน่ากลัว น, นะคะเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงแอบฝังตัวซ่อนอยู่ในใจทั้งความคิดดีและก็ความคิดที่ไม่ดีถูกบันทึกไปเรื่อยๆอ่านบทนี้แล้วเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลยทีเดียว ไม่ทราบว่าคุณฟังรู้สึกเช่นนี้หรือเปล่านะคะบทต่อไปค่ะหัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือบทนี้พูดถึงพักพวกของสมุทยัยว่ามีอยู่มากคนด้วยกันคนที่เป็นหัวโจกคือเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกตัวสำคัญก็ได้แก่โลโพโทโสและก็โมโหโลโพ ก็คงพอดาวกันได้นะคะคือคนโลภอยากได้อะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาโทโสเป็นคนเจ้าโทสะเมื่อมีใครมาขัดคอขัดใจก็ต้องบันดาลโทสะเสมอส่วนโมโหนั้นดูยากเพราะมักแสดงตนเป็นคนเฉยเฉยหิมๆิมชอบนั่งโงกง่วงหรือไม่เช่นนั้นก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่าน บางทีก็เป็นคนลังเลไม่แน่นอนว่าจะตกลงอย่างไรบางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาดแต่ความจริงไม่รู้อะไรจริงแบบที่เรียกว่าโง่อวดฉลาดและโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่กับสิ่งต่างๆชักชวนโลโพโทโซให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอสมุทยชอบใช้หัวโจกทั้งสามให้เที่ยวไปในที่ต่างๆเรียกว่าเป็นสมุนที่ใช้ได้ดังใจ โลโพจะรู้ใจสมุทัยโดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที่สมุทัยชอบหรือว่าใครจะได้เอาไว้ให้เสมอโลโพจะต้องอยากได้ในสิ่งที่สมุทัยใครจะได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโลโพอยากได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้นสมุทัยก็เลยไว้วางใจให้โลโพออกไปก้านหาสิ่งต่าง รันพบบุคคลหรือสิ่งขีดควางก็ใช้โทโซออกไปแสดงอำนาจข่มขู่จนถึงทำร้ายต่างๆเมื่ อ, อยังไม่พบอะไรที่ต้องการหรือขัดขวางก็เป็นหน้าที่ของโมโหออกไปทำหน้าเฉยๆโมโหนั้นเป็นคนที่ดูยากอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคนทั้งปวงจึงพากันเข้าใจโมโหในลักษณะต่างๆเช่นบางคนเข้าใจว่าโมโหนั้นเป็นคนขี้โกรธ เมื่อใครโกรธขึ้นก็มักจะพูดกันว่าคนนั้นคนนี้เกิดโมโหขึ้นมาบางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่มีอุเบกขาคือความวางเฉยเฉพาะคนที่รู้ถึงธาตุแท้ของโมโหเท่านั้นจึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่าหลงเพราะไม่รู้อะไรจริงโมโหโมหะก็คือหลงขัวโจกทั้งสามคนนี้ยังมีลูกมือคะ่ะ ลูกมือที่เป็นผู้ลงมือทําตามคําสั่งอีกสคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้ง3มนี้เป็นนักเลงหัวมีดหัวไม้ที่ร้ายกาดนักใช้ให้ไปลักของใครให้ไปทําร้ายใครไปพูดจาหลอกลวงใครหรือให้คิดวางแผนทุจริตต่างๆเป็นได้การเสมอชาวจิตตานครจึงอยู่กันแบบไม่ผาสุขนัก มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่หนึ่งหนึ่งเช่นมีการทำร้ายร่างกายกันมีการลักขโมยปร้นสดมเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่เชื่อถือคำพูดของกันและกันไม่ค่อยจะได้จะไว้วางใจกันก็ยากคืนไว้วางใจกันง่ายๆก็จะต้องถูกต้มถูกตุนเปื่อยไปจนเป็นที่หวาดระแวงกันทั่วไปโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้น ในวงเมืองก็มีทุจริตเกิดขึ้นในส่วนต่างๆเพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตะนาครอันความทุกข์ร้อนอันใดบังเกิดขึ้นในจิตตะนาครเจ้าเมืองก็จะต้องรับทุกอันนั้นแทนหรือร่วมด้วยชาวจิตตะนคาครทั้งสิ้นในทางตรงกรันข้ามความสุขที่เกิดขึ้นในจิตตนครเจ้าเมืองก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตตนครทั้งสิ้นเช่นเดียวกันดังนี้จะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองแห่งจิตตานะครหรือจิตนั่นเองเป็นที่รับทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในจิตตานะครหรือในมนุษย์เราที่จะไม่เข้าถึงจิตต้องเข้าถึงจิตทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งสะอาดไม่ว่าสิ่งสกปรกและเมื่อเข้าไปแล้วก็จะกลับออกเองไม่ได้ด้วยเหมือนมีแต่ทางเข้าที่ใช้สาหรับเป็นทางเข้าแท้ แต่ไม่มีทางออกสำหรับให้ออกเองได้เลยนอกเสียจากว่าเจ้าเมืองจะมีปัญญามีความเพียรพยายามสร้างทางออกขึ้นและนำเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกเท่านั้นจึงจะเอาออกได้นั่นก็คือเมื่ออารมณ์ใดเข้าถึงจิตแล้วก็จะจมฝังลงในจิตทั้งสิ้นจะไม่มีการกลับออกจากจิตโดยลําพังตัวเองเลย ดังนั้นการสั่งสมอารมณ์ของจิตจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดจิตเป็นสิ่งที่สั่งสมอารมณ์ทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วสั่งสมอารมณ์ที่ดีมากๆก็เป็นจิตที่ดีสั่งสมอารมณ์ชั่วมากๆ ก, ก, ก, ก็เป็นจิตที่ชั่วคนดีหรือคนชั่วจึงเกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เองไม่ได้เกิดจากสิ่งองื่นดังนั้น ถ้าเราปล่อยให้ความไม่ดีเพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามทำให้ลดน้อยลงสักวันก็จะท่วมทน้นจนไม่มีที่สำหรับความดีเหลืออยู่เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นเจ้าเมืองจิตตะนครก็จะกลายเป็นคนชั่วซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาในที่ใดเลยมีแต่จะนำความร้อนนำทุกโทษภัยไปสู่ทุกคนทุกแห่ง ที่ย่างเหยียบเข้าไปคนชั่วเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความร้อนของตนเองด้วยดังนั้นทุกคนจึงควรกลัวอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นคนชั่วควรพยายามอย่างยิ่งที่จะทำทางนําความไม่ดีออกจากจิตให้สม่ำเสมอ บางทีเรามองว่าคนชั่วเป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้เป็นคนที่น่ากลัวแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งคนชั่วน่ากลัวสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะยิ่งกว่ามารู้จักกับหัวไม้อีก16คนหัวไม้ของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตะนครค่ะ จริงๆแล้วชาวเมืองจิตตนครเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดมีการศึกษาการศึกษาในจิตตนครก็คล้ายๆกับการศึกษาในโลกโลกมีการศึกษาระดับไหนจิตตนครก็มีการศึกษาสูงระดับนั้นดูๆไปชาวเมืองจิตตนครก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่ว แล้วก็ช่วยกันปราบปรามทุจริตต่างๆตลอดจนตัวหัวโจกแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสมุไทยสมุไทยเป็นตัวสำคัญที่แสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของชาวเมืองจิตตานครทั้งปวงชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หูคู่คิดเพราะว่ามีความเข้าใจและเชื่อในสมุไทย ว่าเป็นผู้ช่วยสร้างความสุขความเจริญต่างๆสมุทัยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้แล้วก็สามารถในการใช้พักพวกที่เป็นหัวโจกคือโลโพโทโซโมโหหัวโจกทั้ง3นี้ไม่ได้ไปแสดงตัวเป็นหัวโจกวางท่าแก่ชาวเมืองโดยตรงแต่ว่าแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้ให้โกรธพยาบาทแล้วก็ให้หลงไหล โมโหเป็นหัวโจกสําคัญที่แอบสิงใจคนให้หลงให้เพลิดเพลินให้ติดคล้ายกับเป็นยาเสพติดโมโหชอบสิงใจอยู่นานๆโลโพโทโซชอบสิงใจเป็นพักๆแม้ทั้งสองจะออกไปแล้วคือหมายถึงโลโพกับโทโซที่มาเป็นพักๆยามที่ทั้งสองออกไปแต่โมโหก็ยังประจําอยู่สมุไทยก็อาศัยโมโหนี่แหละ เป็นเครื่องมือคลองใจคนทั้งเมืองนอกจากหัวโจกทั้งสามก็ยังมีพักพวกหัวมีดหัวไม้ต่างๆอีก16นั่นก็คือหนึ่งอภิชาวิสมณะวิสมะโลภะคือการละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งโทสะร้ายกาศโกทะโกรธ อุปนาหะผูกโกรธไว้มักขะลบหลูคุณท่านปลาสะตีเสมอหรือยกตนเทียมท่านอิสาหรือริษยามัชริยะตรณีมายามัญญาคือเจ้าเล่ได้แก่ปกปิดโทษที่มีอยู่สาเทยะโออวดคืออวดคุณที่ไม่มีธรรมภะหัว ด, ดื้อ สารำพะแข่งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นท่านมัทะมัวเมาและสุดท้ายปมาทะเล่เลอทั้ง16นี้มีลักษณะต่างๆกันเหมือนกับชื่อแต่ล้วนเป็นพวกก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองจิตตะนครทั้งสิน้นวิธีก่อกวนก็ได้การเที่ยวสิงใจคนเช่นเดียวกับหัวโจก ชาวเมืองจิตตานครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจก็แสดงออกต่างๆกันตามที่ถูกสิงเช่นถูกโกทะสิงใจก็แสดงอาการกโกรธต่างๆถูกสาเธอยัดสิงใจก็พูดจ่าโอ้อวดคุณที่ไม่มีนา น, นับประการการศึกษาระดับต่างๆก็ช่วยไม่ได้แถมบางทีกลับนําความรู้มาคุยฟุ้งอวดรู้อวดฉลาดไปซะอีก แต่อย่างไรก็ตามแม้ชาวเมืองจิตตานครจะตกอยู่ในอำนาจของพวกหัวมีดหัวไม้จนแทบจะหาผู้ช่วยไม่ได้แม้กระทั่งการศึกษาระดับต่างๆทุกระดับก็ช่วยไม่ได้แต่ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได้แล้วก็ช่วยได้แน่นอนสิ่งนั้นคือปัญญาปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่สุดมีอำนาจสูงสุด ปัญญามีอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟาดฟันพวกหัวมีดหัวไม้ให้แตกกระจัดกระจายไปได้จะ ก, กี่ร้อยกี่พันปัญญาก็สามารถเอาชนะได้สิ้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่อาจขับไล่ความมืดให้หมดไปได้ไม่หลงเหลือนั่นแหละข้อสําคัญอยู่ที่ว่าปัญญามิใช่แสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ประจำโลกแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นต้องอบรมให้มีขึ้นให้เจริญงอกงามขึ้นเพื่อให้ตนเองมีอาวุธสาคัญที่สุดประจำตนสำหรับปราบพวกหัวมีดหัวไม้ให้สิ้นไปไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ต่อไปนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ท้องสมุทรหลังไมโดยรสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง